เจ็ดเดือนบรรลุธรรมบทส่งท้ายบ่ายนั้นรบชนะมาติดต่องานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อเสร็จจากธุระจึงเข้าวัสุทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันนั้นเข้าวิหารใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อสายตายเห็นพระประธานโอราริกอันเป็นสัญลักษณ์แทนความชนะภัยแล้วซึ่งเป็นสารติแล้วส่ววิมุติสุขแล้ว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 กวางคิดไม่ดีตลอดจนรู้สึกกลุ้มใจเริ่มเชื่อละหละ่ะว่าผลการมีจริงและสงสัยว่าตัวเองคงไม่แคล้เนรกรบชนะเลิกคิ้วฉ ง, งนมีเรื่องอะไรเหรอก็กว้างน่ะสิคิดมากฟุ้งซ่านจิตใจเมื่อไปหมดแล้วก็ถูกคนใส่ร้ายบ่อยจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญพราะหลักก็ฝันไม่ดีคิดถึงแต่คาพูดของตัวเองที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พี่ณเห็นแก่ตัว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 เมื่อก้าวออกจากวิหารก็เอ่ยปากขอแนวทางปฏิบัติธรรมจากชายหนุ่มอีกครั้งและครั้งนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจของหล่อนเองรบชนะจึงถือโอกาสมอบสมุดบันทึกหลายเล่มให้กับหล่อนบอกให้หล่อนอ่านอย่างละเอียดบอกให้หล่อนอ่านอย่างละเอียดและลองทาตามนั้นดูเขาจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เทียนต่อเทียน